ข้อความในมัชฌิมานิกายโมลปนาฏมาทุเบนิกะสูตรสูตรที่หวานประดุบขนมหวานอะไรเงี้ยว่ามีเนื้อความหวานประดุบน้ําผึ้งแสดงว่าเนื้อหาแห่งพระสูตรนี้เรียกว่าผู้ฟังแล้วก็หวานใจเลยว่างั้นนะสมัยนั้นนะเขาฟังแล้วก็รู้สึกหวานทางใจว่างั้นของเราดูฟังแล้วตั้วใจหรือเปล่าไม่ตั้ว แสดงว่าหมายว่าอะไรหวานของเรากับหวานของท่านนี่เหมือนกันไหมลองดูอัธยาสัยว่าความหวานตอนแรกๆอ่านแล้วเอ๊มันหวานตรงไหนไม่ขเข้าใจเลยตอนหลังก็รู้สึกว่าปลาล่อมปลาเล่มหวานตามท่านบ้างของเราถ้าฟังแล้วก็รู้สึกวหวานตามท่านก็แสดงว่าอัธยาสัยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมัทุบินิกะสูตรข้อสอง้สี่สิบสามหน้าหนึ่งร้อยเ้าสิบห้ากล่าวว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตพระนะครกรบิลพัฒน์ในสะกกชนบทครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปสู่พระนะครกรบิลพัฒน์เพื่อบิณฑบาต ครั้นเสร็จจากการ เ, เสด็จเที่ยวไปบินทบาดแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักในเวลากลางวันครั้นถึงแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งพักกลางวันณนโะคนต้นมะตูมหนมแสดงว่าฉันเสร็จพระองค์ก็เข้าป่านะเข้าไปที่พักที่หลีกเรนแม้ธนดาปานิสักยะเจ้าสักยะน่มผู้ถือไม้เท้าเนี่ยนะ สมัยอะไรนะสมัยคนไทยโบราณชอบถือตะพดใช่ไหมที่เราถือตะพดหรือถือตะบองอ่ะนะทีละไม้อันหนึ่งอ่ะนุ่มหนมโบราณนี่จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เราว่าจะถือไม่เท่ากันเนี่ยถือตะพดอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเจ้าเจ้าสักยะคนนี้ก็เหมือนกันเป็นสักยะหนุ่มที่ถือไม้ตะพดเนี่ยเจ้าสักยะนี้ก็กําลังเสด็จเที่ยวเดินเล่นก็ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวัน แ, แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างต้นมะตูมนมได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนยันไม่เท้าคือหมายว่ายืนแล้วก็อะไรนะเอาไม่เท้าค้ำค้างอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นแหะแบบแบบคนที่เรียกว่าวางมาสหน้าดูเลยนะเก๊กมากเลย แต่แล้วก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคถามนี้ไม่ได้ถามเริ่มใจนะก็ถามไปงั้นงั้นนะเจอไหนๆก็เจอกันแล้วก็เลยถามซะหน่อยว่าสมณะท่านมีปกติกล่าวอย่างไรกิงวาทีเหมือนกันสมโนโกิงวาทีท่านพูดอะไรคือคือลัทธิของท่านเป็นยังไงนะคําว่าวาทะวาทีตัวนั้นนะท่านมีลัทธิทิฐิของท่านเป็นยังไงกิมมคขายิท่านมีปกติบอกอะไรนะ ท่านพูดอะไรท่านบอกอะไรแปลว่าท่านมีลัทธิโอวาดคำสั่งสอนหลักการของท่านมันเป็นยังไงอันนี้เป็นใจความของเจ้าทันฑาปานิสกยะเจ้าทันดาปานิสกยะจริงๆแล้วไม่ชอบพระพุทธเจ้าเลยจริงๆตัวเขาเองนี่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยท่าเหตุผลว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ถามนี่ก็ถามไปอย่างงั้นนะถามไม่ได้อยากฟังนะ ถามาไหนๆก็เจอกันแล้วก็เลยถามเล่ากันมาว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นพวกของพระเทวทัตหมายคําว่าเป็นเพื่อนรักของพระเทวทัต น, น, นะนะพระเทวทัตนี้แตกแยกกับทัตถาคตคือพระเทวทัตนี้ก็ทะเลาะ ก, กับพระพุทธเจ้าเราก็รู้อยู่แล้วคือพระเทวทัตนี้ต้องการจะบริหารภิกษุสงฆ์เองต้องการจะมีอํานาจมากต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหน้า207กล่าวว่า ได้ยินว่าพระเทวทัตนั้นก็เข้าไปกล่าวอย่างนี้กับเจ้าทันดะนะเจ้าทันตะปาณิว่าพระสมณโคโดมเนี่ยนะเป็นมีเวนกับตระกูลเราเรียกว่าแผนยุแยกแผนยุแล้วก็ให้แยกหรือท้าเรียกว่าสอเสียดนั่นแหละยุให้แยกก็คือส่อเสียดดีๆนี่แหละแต่ว่าวิธีการส่อเสียดเนี่ยนะจริงมั่งเท็จมั่งก็ผสมปนเปกันไปเนี่ยอีกฝ่ายก็เชื่อความนี่ก็เหมือนกันเขาก็เลยมีแผนยุแยก ไปเล่าให้เจ้าทันฑาปานิฟังพระเทวทัตนะไปเล่าให้ฟังบอกว่าพระสมณะโคโดมเนี่ยนะไม่หวังความเจริญแก่ตระกูลของพวกเราเลยแปลว่าเป็นคนที่ล้างผลาญตระกูลเราดูสิพักคินีของเราคือน้องสาวของเราพรนางยโสธราพิมพาเนี่ยนะปกตินางเนี่ยสวยมากสมควรจะเสวยสมบัติเป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิ พระนางก็ละสมบัตินั้นแล้วก็เสื่อมเสียเนี่ยท่านออกบวดรู้ไหมเนี่ยไม่เห็สีเสื่อมเสียขนาดไหนก็ปล่อยให้นางเป็นหญิงร้างเป็นหญิงไม้เฝ้าว้านอยู่คนเดียวเนี่ยนะนี่มันนี่มันไม่ปรารถนาดีต่อกันชัดๆเนี่ยนะเอาหญิงงามเห็นปา น, นี้ไปอยู่ในเรือนเสร็จแล้วก็ทิ้งๆิ้งคว่างๆให้ไปอยู่บ้านอยู่เรือนอนะก็ไม่สนใจอะไรเลยอันนี้ในที่หนึ่ง แล้วก็บอกอีกว่าพระสมณโคดมเนี่ยออกบวชทั้งที่รู้ว่าพาคินายะคือหลานของเราราหุลเนี่ยนะจักเป็นนกของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่ทรงยินดีกับความเจริญของตระกูลของเราเอาหลานไปบวชซะอีกไม่ยอมให้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะฉะนั้นะนะฟังแล้วน่าเชื่อเหมือนกันนะเออฟังแล้ก็ใช่เนี่ยนะว่าเอาน้องสาวไปแต่งเสร็จแล้วตัวเองก็ออกนี้บวชเออเนี่ยมันก็น่าสแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ดียงนั้นเถะ อันดับหอันดับที่สองอีกก็ไม่ดีอีกข้อหนึ่งก็คือบอกว่าหลานเนี่ยควรจะได้เป็นจักรพรรดิก็จับบวชแต่เล็กแต่ น, น้อยตั้งแตไม่รู้เนื้อความอะไรเลยนี่มันเวนกันชัดๆเลยคู่เวนกันแน่และแนะทีนี้เขาก็พูดอะไรนะพระพุทธเจ้าเลวงั้นเถอะเทวทัตดีอยู่คนเดียวก็บอกส่วนเราสิเวนจากภาคินยัยยะคือเรานี่อยู่ห่างหลานไม่ได้เรื่องของเรื่องที่เรามาบวชนี่เราเป็นห่วงหลานห่วงพระราหุนเนี่ยไม่มีคนเลี้ยง เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ห่างหลานได้ถ้าเราอยู่ห่างหลานเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเราก็เลยออกบวชตามไอ้ที่บวชไม่ใช่บวชตามพระพุทธเจ้านะบวชตามพระราหุนบวชตามหลานเขาฐานะเขาเป็นลุงคือพระนางยสโสธราพิมพาเนี่ยเป็นน้องของพระเทวทัตน้องสาวนะอ่าแล้วก็พระเทวทัตนี่จริงๆแล้วก็เป็นหลานของพระนางมายาคือคือเป็นลูกพี่ชายเนี่ยนะก็ก็อ่ คือพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยนะแต่งงานกับพระนางมหามายาพระนางโคตมีพระนางมหามายาพระนางโคตมีเนี่ยนะก็เป็นน้องสาวของพระเทวทัต พ, พระเจ้าสุ ป, ปะพุทธเนี่ย ม, มีมีโอรสสององค์มีโอรสหนึ่งองค์คือพระเจ้ า, าพระเทวทัตมีธิดาอีกสององค์ขอพายใช่แล้นะมีโอรสสองอ ง, องค์ไม่ใช่ขอโทษ ทำไมคือพระเจ้ามหาสุปะพุทธเนี่ยมีโอรสหนึ่งองค์มีพระธิดา2องค์พระโอรสคือพระเจ้าสุปะพุทธพระธิดาคือพระนางมายากับพระนางโคตมีทีนี้พระเจ้าสุปะพุทธเนี่ยมีลูกอยู่สององค์คือพระนางยโสธราพิมพากับพระเทวทัตเห็นไหมทีนี้ฝ่ายพระนางมหามายาก็แต่ง ง, นะแตててงงานกับพระเจ้าสุโธธนะแล้วก็ได้พระโพธิสัตว์พระนางโคตมีก็แต่งงานกับพระเจ้าสุโธธนะก็ได้พระนันทะ กับพานางชนพานางสากรยานีอ่ะนะอีกรูปหนึ่งหรือนางรูปปนันธาทีนี้พระเทวทัพเนี่ยนะซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสุปปพุทธะนะฝายน้องสาวก็คือพระนางยโสธราพิมพาก็อภิเสกกับพระพระสิทธะเนี่ยนะคือพระพระโพธิสัตว์นะเสร็จแล้วก็เขาเองก็อยู่อีกคนละเมืองกันดูคนละเมืองแต่ว่าพระเทวทัพเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ แต่คนที่มีเล่เหลี่ยมระดับสูงจริงๆเนี่ยนะจะไม่พูดเท็จทั้งหมดและจะไม่พูดจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจึงอยู่บนพื้นฐานเรียกว่าลีลานะนะเป็นคนที่เราแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้เรนะเขาไม่ไม่ไม่ไมไมนคนขี้เหรเท่าไหร่นะพระเทวทัพเนี่ยคนไม่ธรรมดาแต่ทีนี้เนื่องจากว่าในภาพในอะไรเราอาจจะวาดไปอย่างนั้นแหละนะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นที่ยกย่องอ่ะแล้วก็หัวนี่ฉลาดเกินบุคคลธรรมดาเยอะ นะถือว่าฉลาดกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยแล้วก็บวกกับกลโกงเข้าเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคือถ้าเข้าไม่ระดับนี้จริงๆอ่ะนะเขาเขาจะไม่ขึ้นมาเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้าได้คือถ้าอยู่ในฐานะระดับล่าถ้าหัวไม่ถึงแผนไม่ถึงฝีมือไม่ดีเนี่ยยังไงก็ไม่กล้ามายืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าได้นี่ในฐานะญาติถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปคนอื่นคำรามนี่ก็กลัวหนีไปหมดแล้ว แต่ว่าเทวทัตไม่เนี่ยนะยังพังอัดอยู่นั่นแหละเรียกว่าหาเรื่องจน น, นอนจนเกือบจะหายใจเฮือกสุดท้ายนี่แหละจึงจะเลิกราวางัน น, นั่นนะพระเทวทัตก็ <c oughs> ก็เป็นอย่างงี้ก็เลยปกติแล้วพระเทวทัตเนี่ยการที่ตัวเองเนี่ยชื่อเสียงไม่ดีคือช่วงหลังมาพระเทวทัตเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีอยู่แล้ะก็เนื่องจากว่าสร้างเวรสร้างอะไรกับพระพุทธเจ้าร้ายเรื่องโดยกันชื่อเสียงไม่ดีก็กระจายออกไป ทีนี้ไอการที่พระเทวทัตจะหาความดีความชอบได้บ้างทําไงก็ไปหาพูดกับไอพวกไม่รู้เรื่องพวกที่นักเลงหัวไม้ใกล้ๆกันเนี่ยนะก็ไปส่อเสียดกับพวกนั้นๆเอาไว้เช่นไปส่อเสียดไว้กับพวกเจ้าธันดปาณิสักยะนะก็ยัดย่าดกันนั่นแหละไม่ใช่ใครไกลที่ไหนหรอกก็ยัดย่าดกันแต่แหมมันหาพักหาพวกอะนะพระเทวทัตก็หาพวกฝ่ายสายพระญาต์ไว้บ้างก็ไปเนี่ยไปสอเสียดกับเจ้าธันดปาณิเอาไว้ ฝ่ายพระราชาครับบอกว่าพระเทวทัตก็ยังตำหนิถึงความเลวร้ายของพระพุทธเจ้าให้เจ้าทันดาปานิฟังบอกว่าแม้แต่เราบวชเข้ามาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วนะหรือของพระสมณโคดมแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยนะถูกพระสมณโคดมเนี่ยเล่นงานมากเล่นงานแค่ใช้คาว่าประหารด้วยคำเท็จมากหลายก็แปลว่าพระพุทธเจ้าหาเรื่องเราตลอดเวลา ยุเอยงแค่เรียกว่าอะไันทำลายหาช่องทางทำลายเราทุกอย่างเลยหาวิธีการที่จะคุ้นเราอยู่ตลอดเวลาเช่นบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นสัตว์ในอบายพูดอย่างนี้ได้ยังไงบอกว่าเราจะตกนรกพูดอย่างนี้พูดแปลว่าอะไรกันนะครับพูดอีกฝ่ายหนึ่งเออใช่ใช่นะพร้อมที่จะเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งมือบางทีบางคนเนี่ยนะมันมั น, ม, นมันเข้าข้างคนแพ้น ะ, ะคนแพ้นี่มันจะอยู่ระดับไหนก็ช่างมันจะเลวจริงยังไงก็ยังเห็นใจคนแพ้อีกอยู่ดี อย่างสมมติถ้าคนเนี่ยรถวิ่งมาธรรมดาแบบขับอย่างระมัดระวังแล้วมีคนคนหนึ่งวิ่งไปชนรถอย่างเงี้ยเราจะสงสารรถหรือสงสารคนถ้าเราจะเข้าข้างเราจะเข้าข้างใครเข้าข้างคนขับรถหรือต้องการคนนอนสมอ่ะโดยทั่วไปโดยมากเนี่ยนะโดยหลักทั่วไปแล้วคนจะเข้าข้างคนผิดแล้วก็คนที่แพ้แพ้ด้วยผิดด้วยเนี่ยเราจะค่อนข้างจะเห็นใจมากกว่าที่จะที่จะสงสะที่จะอะไรนะ อยู่บนพื้นฐานว่าไ อ, อ, อสิ่งที่ควรจะเป็นความถูกต้องนั้นคืออะไรนี่ก็เหมือนกันนะเจ้าธันดะปานิศักยะก็เลยเข้าข้างคนผิดที่พ่ายแพ้ที่ไม่มีวันปราชยชนะเลยนะก็เเข้าข้างไปพระราชาองค์นี้เนี่ยถูกพระเทวทัตยุยงอย่างนี้ก็เลยกระทาดังนั้นก็คือทำคือที่ที่ที่ำนี้ก็คือถามพระพุทธเจ้าก็ถามว่าสมณะ ท่านมีวาทะอย่างไรท่านมีปกติบอกปกติสอนอะไรคืออธิบายเพิ่มที่บอกว่ากิงวาทีมีความเห็นอย่างไรกิงมัคขายิแปลว่าท่านตรัสบอกตรัสสอนอะไรลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสคําที่สมควรแก่พระราชานั้นโดยดำริว่าพระราชาเนี่ยนะดำริว่าเราจะบอกแก่พระราชานั้นโดยประการที่พระราชานั้นน่ะ ไม่อาจาเพื่อจะตรัสว่าพระส ม, มณโคโดมไม่ตรัสบอกปัญหาที่เราทูลถามและโดยประการที่ไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตคือจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบก็ตอบเพราะกันข้อคอรหาเดียวก็ว่านี่เห็นไหมอีกฝ่ายหนึ่งอนะไรแค่ว่าคนที่ไม่เลื่อมใสตัวถามแล้วเป็นไม่ตอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ก็ตอบไปงั้นแหละเนี่ยนะตอบก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องและเขาไม่สนใจจะรู้ด้วยเพราะคนถามไม่ปรารถนาจะรู้คนถามก็ ไม่ปรารถนาจะฟังแต่พระองค์ก็ตอบ